ปัจจุบนนังหิตังจิตังปริปุนังสุภาวิตังยังปัจจุบนนั่งคตังกรรมนตดังเตตราวิสิสติจิตที่อุงมที่บริบูรณ์ดีแล้วเป็นจิตที่มีความมีพลังหาประมาณไม่ได้กรรมที่ทําแล้วพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นอันนี้คือคถาแก่กรรมคาถาตัดกรรม เอกระตัดกรรมบอกว่ากรรมที่เราทําพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือแล้วเขใครจะไปแก้กรรมตัดกรรมที่ไหนก็คือไปศึกษาความหมายอันนี้ไหนที่เราทําพอประมาณพอดีนะมันจะไม่เป็นกรรมแต่ที่เราเมื่อไรทําอะไรพูดพอดีทําพอดีคิดเกินพอดีสิ่งนั้นที่เหลือมันจะเป็นกรรมอันนี้วิธีการตัดกรรมง่ายๆนะแต่การที่เราจะสามารถรู้จักความพอดีได้ว่า จิตที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้วนะเป็นจิตที่มีพลังหาประมาณไม่ได้วันนั้นเราก็มาอบรมจิตนั่นเองเนี่ยเอาแล้วก็ขอเริ่มต้นด้วยนั่งฟังตางสบายด้วยความตั้งใจว่าวันนี้เราจะมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันเหมือนกับเราทุกคนไปแสวงหาของดีด้วยกันใน ป่าในทำในหุบในเหี้ยวในที่ไหนก็ตามหรือไปต่างประเทศก็ตามตอนนี้เราก็ได้แต่ละคนก็ได้ของดีมาคนละชิ้นนะเมื่อได้ของดีมาแล้วเราก็ามาบอกกันว่าเออฉันได้อันนี้มานะฉันได้อั น, นี้มาซึ่งบางคนอาจจะได้มาเหมือนกันบางคนอาจจะได้มาต่างกันนะทีนี้เมื่อเราจะเอาของดีตรงนี้แต่ละคน ได้มาไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ทุกคนสามารถจ ะ, จะมีทุกอย่างที่แต่ละคนได้มาเรามาเคยเปรียบเส ม, มือนว่าแต่ละคนเรามีเชือกติดมือไปเวลาเราไปป่าไปภูไปทําไปหิวเนี่ยจะมอีอาวุธหรือว่ามีเครื่องมืออะไรสักอย่างติดมือไปนี่ก็อบอกว่านักเดินทางไกลกลุ่มหนึ่งเดินทางด้วยกันแต่ละคนก็เตรียมข้าวเตรียมของอมีเชือกมี ภาคาม่ามีอะไรเตรียมไปทีนี้ปรากฏว่าไปถึงกลางทางเนี่ยเดินทางไกลน้ํามันหมดพอน้ําหมดแล้วก็น้ําดื่มหนึ่ไม่มีก็เกิดว่าเข้าไปเจอบอ่อแห่งหนึ่งแต่บอ่อนี่ลึกอเป็นร้อยเมตรสมมตินะเป็นร้อยเมตรน้ําอยู่ลึกมากนี่ก็จําเป็นต้องเอาน้ํานี้ขึ้นมาหานให้ได้จะทํายังไง ที่แต่ละคนก็มีเชือกยาวไม่ถึงร้อยเมตรสักคนบางคนมีห้าเมตรบางคนมีสิบเมตรบางคนมีเจ็ดเมตรบางคนมีแปดเมตรบางคนมียี่สิบเมตรบางคนสามสิบเมตรปรากฏว่าแต่ละคนก็มีเชือกยาวไม่ถึงถามว่าคนเหล่านี้จะบริโภคน้ําได้อย่างไรได้เชือกสั้นๆของตัวเองแต่เฉลยก็คือว่าเขาจะนําเชือกสั้นๆเหล่านี้มาต่อกันปรากฏว่าเกินร้อยเมตร เขาทุกคนได้กินน้าเหมือนกันหมดแม้คนมีเชือกสั้นก็ได้กินน้าเหมือนกันคนมีเชือกยาวก็ได้ดื่มน้านั้นเหมือนกันฉันได้ก็ดีดล้วแต่ละคนมีความยาวของประสบการณ์ความยาวของสติปัญญาความยาวของการศึกษาความยาวของภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่เท่ากันสักคนสั้นบางยาวบางแต่ภูมิธรรมภูมิปัญญานี้จะเฉลี่ยเจียจานกันได้ ทั่วถึงทุกคนก็ด้วยออาการนําประสบการณ์นี้มาแชร์มาแบ่งกันนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจะมีการแบ่งปันนะเพื่อที่เราจะได้สัมผัสนะประสบการณ์ของแต่ละคนบางคนอาจจะลึกบางคนอาจจะตื่นบางคนอาจจะใกล้บางคนอาจจะไกลเรากา็ได้รับส่วนแบ่งปันแล้วเราก็จะเอาส่วนที่เราได้รับการแบ่งปั น, นไปทําให้มันเป็นจริงขึ้นมานะ เพราะฉะนั้นในช่วงจากนี้ไปเนี่ยหมาว่าเรามีเวลาประมาณถึงสามชั่วโมงหรือเปล่าจันวิชุลพุนไม่ถึงถึงเนาะถ้าหากว่ามีการเลกเกิดขึ้นก็ไม่ควรที่จะเกินเที่ยงประมาณนะ <laughs> เออน้าอย่างสูงไม่เกินพวกสี่สิให้เหลือเอ้ยละฉันไม่มันจะใกล้เที่ยงเขามาอ่านนี่วนไปฉันก่อนก็แล้วกันวันนี้จะามาจะอุทิศส่วนกุศลด้วยไม่ฉันอย่างงี้ก็ได้แต่ก็ยังไงก็ตามเราก็จะรู้จักประมาณในส่วนที่เราแสดงออกว่าประมาณไหนที่เราสามารถเก็บความได้ทั้งหมดที่เราหาตรงนี้ภายในจิตวันนี้นะ ก็เลือกสรรเอาในส่วนมาซึ่งามาอยากจะให้นิ้นถึงประสบการณ์ที่ได้จากที่ดีถ้าจะมีการยอ้อนหลังย้อนอ ด, นดีตหน่อยก็เป็นส่วนประกอบตัวหลักคือว่าในจิวันนี้เราได้คือทั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากริการแบ่งปันแล้วเนี่ยอามาก็จะเป็นคุณเทศวิธีว่าบุคคลผูน้นี้ที่รายงานเนี่ยเข้าใจตามหลักที่เราได้ออกลมนี่ถูกต้องไหมถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องอามาก็จะปรับแต่เข้าใจถูกต้องแล้วก็จะเออใช่ได้ พูดถึงหลักเรื่องของเวทนาพูดถึงหลักของสติของสัมปชัญญะของสมาธิต่างๆเหล่านี้ที่มาได้นํามาเสนอทั้งภาคปริยัติปฏิบัติเนี่ยมีส่วนไหนบางที่เราเข้าใจถูกส่วนไหนยังเข้าใจไม่ถูกก็เลยพูดถึงส่วนนี้ในส่วนไหนที่ไม่ถูกออกมาก็จะปรับเพิ่มเสรมิเรมเติมแต่งให้ใหสมบูรณ์ขึ้นหรือบางทีอาจจะไม่ผิดแต่ว่ามันขาดส่วนประกอบ ส่วนไดส่วนหนึ่งไปามาก็จะเพิ่มในส่วนนั้นอันนี้คือเจตนารมในการแชร์หรือในการแบ่งปันหรือในการรายงานในการรีพอร์ต